เพราะฉะนั้นการเรียกหาพุโทโธการสแสวงหาพุโทโธจึงมีประโยชน์มากผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะปฏิบัติลดการเรียกหาสิ่งอื่นซึ่งเป็นทำเมามาเรียกหาพุโทโธซึ่งเป็นธทำโม ย่อมจะได้รับผลของการปฏิบัติธรรมจะได้รู้จักพระราชตรัตรยจะได้รู้จักพุทธศาสนาขึ้นในจิตใจของตนเองต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสื่อต่อไป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 จะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภะวะในความหมายว่าพระภูมิภาคยะคือพระบารมีพระพุทธคุณบทนี้ พระอาจารย์ได้แสดงความหมายไว้หลายอย่างแต่ที่จะแสดงในวันนี้เพียงในความหมายดังกลาง่าวพระภูมิภักยะคือพระบารมี หรือมีคำแปลให้ฟังง่ายสำหรับคนทั่วไปว่าพระภูมิโชคกันหมายถึงมีโชคดีแต่ว่า ความหมายนี่ถ้าไม่เข้าใจตามครองธรรมก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโชคดีโชคร้ายเหมือนอย่างที่โลกพูดกัน แต่ความหมายของคำว่าผู้มีโชคในที่นี้ก็คือมีพระบารมีนั่นเองและคำว่าบารมีนี่ไทยเราก็ได้นำมาใชา้ ทั้งในทางพระพุทธศาสนาและในทางประเทศชาติในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คายหมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณคือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาตลอดชาติเป็นอันมากและ แม่สาวากก็มีใช้ว่าบำเพ็ญบา ร, รมีมาดังที่มีคำเรียกว่าสาวกบา ร, รมีบา ร, รมีของพระสาวกส่วนในทางประเทศชาติบ้านเมืองนั่น มีใช่ดังเช่นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบารมีซึ่งก็หมายถึง บุญอันสูงจึงเรียกว่าบุญญาบารมีประกอบกันดังนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็คือได้ทรงบำเพ็ญบุญเป็นบุญยะกิริยาคือกระทำบุญอันได้แก่ความดีต่างๆมาเป็นอันมากซึ่งได้มีแสดงรวมเข้าในบารมีสิบ คือทานศีลเนคธรมปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิฐานะเมตตาและอุเบกขาเหล่านี้ล้นเป็นบุญญากริยาคือการกระทำบุญ ทางกายทางวาจาทางใจนี้เองซึ่งการกระทำบุญดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเครื่องชำระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จากกิเลสอาสวะทั้งหลายอันนับมาเป็นบุญส่วนเหตุทำให้ได้ความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจ อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขอันเป็นบุญส่วนผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้แปรความว่าขั้นทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย มุ่นเป็นชื่อของความสุขดังนี้การกระทาบุญทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวนั้นเมื่อกระทาก็เป็นกิริยาที่ทำ ศีลก็ต้องมีกิริยาที่สม า, าสทานศีลทานก็มีกิริยาที่ให้เช่นให้วัตถุ ที่พึงให้ต่างๆแม่การทำบุญอย่างอื่นก็ต้องมีกิริยาที่ทำดังที่กล่าวมาอันกิริยาที่ทำนี่ เมื่อทำไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็ล่วงไปล่วงไปเหมือนอย่างการให้ทานเช่นการตักบาตรพระก็ทำเสร็จกันไปคราวหนึ่งคราวหนึ่ง กิริยาที่ทำนั่นก็ล่วงไปล่วงไปแต่ว่ายังมีสภาพที่เรียกว่ากรรมยังไม่ล่วงไป ยังคงอยู่หากว่าจะถามว่าคงอยู่ที่ไหนก็ต้องขอยืมคำว่าจิตมาใช้ว่าคงอยู่ที่จิตนี่เอง เป็นตัวกรรมที่ยังติดอยู่และไม่ใช่แต่บุญเท่านั้นบาปก็เหมือนกันการทำบาป ที่ทำกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกิริยาที่ทําเช่นจะฆ่าสัตว์ก็ ต, ต้องมีกิริยาที่ฆ่าทําการฆ่าจะลักทรัพย์ก็ต้องมีกิริยาที่ลักทําการลักแต่กิริยาที่ทํานี้ ทำคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็ล่วงไปล่วงไปแต่ว่าสภาพที่เรียกว่ากรรมอันเกิดจากกิริยาที่ทำบาปนั้นนั้นยังคงอยู่ก็คงอยู่ในจิตใจนี้เอง สำหรับกรรมที่เป็นส่วนบุญคือเกิดจากการทำบุญต่างๆก็เรียกว่าเป็นบุญกรรมหรือกุศ ล, ลกรรมส่วนกรรมที่เป็นบาป อันเกิดจากการกระทำบาปต่างๆก็เรียกบบา ป, ปรกรรมหรืออกุศ ล, ลกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรา เป็นทายาตรรับผลของกรรมเรามีกรรมเป็นกาเนิดเรามีกรรมเป็นเผาพันเรามีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยจากกระทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาตรรับผลของกรรมนั้น และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ในที่อื่นอีกว่าบุคคลภูจะต้องตายย่อมถือเอาบุญบาปที่กระทำแล้วไว้ไปดังนี้เพราะฉะนั้น กรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรมทั้งที่เป็นอกุศลกรรมที่ทุกๆคนได้กระทําไว้จึงยังเป็นของของตนย่าติดตนไปดังพระพุทธภาจิติตรไวน้ไวนั้นใน พอที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาหนึ่งหนึ่งห้าข้อว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและเรามีกรรมเป็นของของตน รวมเป็นห้าข้อในสี่ข้อคำต่อ น, นั้นก็เป็นอันได้ทรงสอนว่านามรูปหรือชีวิตนี้อันประกอบด้วยร่างกายในจิตใจครองอยู่ ไม่ใช่เป็นของของตนแม้สมบัติพั ส, สถานทั้งหลายบุคคลซึ่งเป็นที่รักทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นของของตนเพราะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องพลาดพลากเป็นธรรมดาถ้าเป็นของของตน ก็จะต้องไม่พลัดพาจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายส่วนข้อห้านี้พระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นตรัสว่ามีกรรมเป็นของของตนอันแสดงว่าบุญบาปที่ทุกคนทำไว้นั้นกิริยาที่ทำคนเสร็จไปเสร็จไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่วัาสภาพที่เป็นกรรม ยังคงอยู่ไม่หายไปไม่หมดไปซึ่งยังติดตนไปตามระยยพระพุทธภาษิทธิที่ตรัสสอนไว้นี่ก็จะทำให้กล่าวได้ว่าทุกคนเมื่อเกิดมา ก็นำบุญบาปอันเป็นส่วนกรรมที่กระทำไว้แล้วมาด้วยอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีกรรมที่เป็นบุญบาปซึ่กระทำไว้ติดตอนอยู่และเมื่อร่างกายนี้แตกสลายตนก็พาเอาบุญบาปนี้ไป คือพาเอาก ร, รมที่เป็นบุญบาปนี้ไปพระฉะนั้นจึงตรัสสอนในพิจารณาหนึ่งเรื่องว่ามีกำเป็นของของตนเพื่อว่าจะได้มีฮีเอดอตปะมีความละอายใจมีความรังเกียจต่อบาปมีความเ ก, กรงกลัวต่อบาป จะได้เมตกระทธรรมบากอากุศนละก ร, รมบาปากรรมขึ้นในตนแต่ให้กระทําบุญกอบุญกรรมหรือกุศนละก ร, รมขึ้นในตนอันหนึ่งคำว่ากรรมย่อมมีความหมายถึงส่วนที่ยังคงอยู่ ทั้งส่วนบุญทั้งส่วนบาปจึงมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าบารมีอันหมายเฉพาะถึงส่วนที่เป็นกุศ ล, ลกรรมหรือบุญกรรมคือกรรมดีและมีความหมาย ที่เน้นเข้ามาว่าไม่ใช่เป็นความดีที่กระทำโดยไม่มีจุดมุ่งหมายแต่ว่าหมายถึงกรรมดีที่กระทำ ด้วยมีจุดมุ่งหมายซึ่งจะต้องกระทำความดีอันเป็นบุญญกรรมกุศลกรรมบ่อยๆสั่งสมเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมาย เพื่อให้สำเร็จถึงจุดหมายที่ต้องการเจนพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงตั้งความปรารถนาเพื่อความต ร, รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงบำเพ็ญพุทธการกระทที่แปรัธรรมะที่กระทาให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นบารมีดดังที่ได้มีระบุไว้1ิบประกาศดังกล่าวแต่ว่า การบำเพ็ญความดีอันเป็นบุญกรรมเป็นกุศลกรรมเพื่อให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะทาเพียงวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวชาติเดียว ให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เพราะว่าจะต้องชำระจิตใจนี้ให้สิน้นอาสวะกิเลสทั้งสิน้น ที่เรียกว่าเป็นขีนาสวะคือเป็นภูมิอาสวะสิ้นแล้วนั้นส่วนหนึ่งท่านจะต้องทำความดีเพิ่มพูนปัญญาสามารถต่างๆ เพื่อที่จะทรงประกาศพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกได้เพราะว่าความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลส ทั้งปวงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังจะต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถในอันที่จะประกาศตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งบริษัทสี่ขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทากิเลสให้สิน้น เรียกว่าเป็นพระอระหันต์คือสิ้นกิเลสยังทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณทศพลญาณวิชา 3. วิชาแปดอภินยาเป็นต้นอีกเป็นอันมากจึงทำให้ทรงสามารถประกาศพระพุทธศาสนาตั้งพระพุทธศาสนาและบริษัทสี่ขึ้นได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องทรงบำเพ็ญความดีต่างๆดังที่ยกขึ้นไว้สิบประกาศนั้นตลอดเวลาชานานยิ่งกว่าสาวกกบ ร, รมีซึ่งสาวกกรบรมีนั้น ไม่ต้องตรัสรู้ได้ตนเองได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผู้รู้ดางและไม่สามารถจะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้ได้แต่สอนตามพระพุทธเจ้า และช่วยรักษารุกศาสนาที่พระพุทธเจา้าทรงตั้งขึ้นไว้สืบต่อมาเพราะฉะนั้นบา ร, รมีที่เป็นเสาวบา ร, รมีนี้จึงน้อยกว่าบา ร, รมีที่เป็นพุทธบา ร, รมีหรือพุทธภูมิเพราะฉะนั้นคำว่าบา ร, รมีนี้ ทันกินแสดงว่ามาจากคำว่าประมะที่แปลว่าอย่างยิ่งหรือแปลว่ายอดอันหมายความว่ากระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงยอด และแปลว่าฟังก็คือถึงฟังอันหมายถึงว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการที่ตั้งใจเอาไว้ความดีที่ทำสังสมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยลำดับดังนี้แหละเพื่อผลที่ตัง้งทิดฐานจิตเอาไว้นี่แหละเรียกว่าบารมีแหละแม้ความดีที่ทุกๆคนกระทำถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีจุดหมาย ดังกล่าวแต่ว่าทาสะสมเพิ่มเติมอยู่เสมอจริญทำทานอยู่เสมอรักษาศีลอยู่เสมอปฏิบัติความดีข้ออื่นอยู่เสมอ